ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุภาสิกขาและปุภาสิกขาวันน า, นาพระอมราที่รักิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสโรคนาจะกล่าวในยานาดิกถาก็เรื่องของยานเป็นต้นข้อหนึ่งไม่เป็นไข้ ย, ย่าไปด้วยยานมีช้างมา้าเกวียนเป็นต้น ถ้าไปต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวยานเนญยายิตัด บ, บังดังนี้และเป็นไข่จะไปด้วยยานควรอยู่ยานนั้นเทียมด้วยบุรุษคือโคผู่หญิงเป็นสารถีหรือบุรุษเป็นสารถีควรอยู่แต่ถ้าเทียมด้วยโคโตเมียนี้ไม่ควรนะก็แลยานผักลาก ด, ด้วยมือหญิงหรือบุรุษผักลากก็ตามควรอยู่คานหามกระดานและ เปรผ้าผูกในไม้ประควรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิฆเวขิลานัสยานังอนุข้อความละนะปุปริสัยุตตังหัตถวัตตกังอนุข้อความละสิวิปังปาตังกิงดังนี้อนุชานามินั่นแหละข้อหนึ่งไม่เป็นค่ายย่าสวมรองเท้าเข้าบ้านถ้าสวมเข้าไปต้องทุกข์กด ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวสะอุปาหาเนนะคาโมปวิกิตัปโบดังนี้เป็นไข่สวมรองเท้าเข้าบ้านควรอยู่ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกขเวที่ลาเนนะพิกุนาสะอุปาหาเนนะคามังคันตุงดังนี้ข้อหนึ่งอย่าสวมรองเท้าสองชั้นสามชั้นถ้าสวมต้องทุกข์กดรองเท้าชั้นเดียวและรองเท้าสี่ชั้นเป็นของเก่า ควรในประเทศทั้งปวงนะปกติก็ให้ใช้รองเท้าชั้นเดียวแล้วก็รองเท้าสี่ชั้นก็เป็นของเก่าด้วยนะแต่สองชั้นสามชั้นนี่ไม่อนุญาตถ้ารวมแล้วต้องถูกกดด้วยตรงอนุญาตและห้ามไว้ว่าอนุชานามิพิทเวเอกปลาติ ก, กังอุปาหนังณนะิคุณังณติคุณังอุปาหนาทาเรตบาอนุชานามิขอความละ โอมุ ก, กังขนังคนุปาหะนังณ น, นวาขนังคนุปาหนาทาเรตตบาดังนี้รองเท้าสี่ชั้นเป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้ควรแต่ในปัจจันตะประเทศอย่างเดียวในมัชชิมะประเทศไม่ควรถ้ารองเท้าสี่ชั้นนี่เป็นของใหม่มใช้ได้สําหรับปัจจันตะประเทศแต่สองชั้นสามชั้นห้ามใช้ชั้นเดียวกับสี่ชั้นใช้ได้ แต่ว่าสองชั้นสามชั้นใช้ไม่ได้เพราะในปัจจุบันประเทศนี่ใช้สี่ชั้นได้ชั้นเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันของใหม่แต่ว่าถ้าเป็นในมัชชิมประเทศนี่ไม่ควรด้วยบรรยัตินี้เป็นประเทศะบัญญัตเป็นปเทศะบรรยัติหมายถึงบัญยัติเฉพาะประเทศเท่านั้นถ้ารองเท้าชั้นเดียวกับรองเท้าตีชั้นที่เป็นของเก่าชั้นเดียวเป็นของใหม่ก็ได้ สั้นของเก่านี้ควรในประเทศทั้งปวงทั้งปัจจันต์ตระชนบทและทั้งมัชฌิมาประเทศแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่ตองเท้าชั้นเดียวใช้ได้ของใหม่แต่ตีชั้นนี้ของใหม่นี้ใช้ในมัชฌิมาประเทศนี้มีควรก็แล้วพระบัญญัติซึ่งเป็นประเทศบัญญัติเฉพาะอนุญาตในปัจจันตะประเทศมีอยู่สี่อย่างสี่ข้อด้วยกันโดยทรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวสับะปัจจันติเมสุชนะประเดสุวินญญคระปัญจามีนะ ข้าเนระอุปสมปังข้อความละเหมือนกันแล้วก็ข้านงางคนุปหาหนังข้อความละเหมือนกันแล้วก็ทุวันหานังแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือจำมานิอัตถานิเอระจัจมังอาชจัมมังมิทะจมังความว่าเราตถาพอนุญาตสี่ข้อก็คือข้อหนึ่งคณะสง์มีพระวิ น, นัยทอนคืออนุสาวรกาจารเป็นที่ห้า ให้อุปสมบทกุลบุบบทขอ้อที่สองก็คืออนุญาตรองเท้าสี่ชั้นขอ้อที่สามอนุญาตอาบน้ําเป็นนิดขอด้อที่สี่อนุญาตหนังเจียมหนังแพะหนังเนื้อเป็นเครื่องราชสี่อย่างนี้ในปัจจันตชนบทท้องปวงอนุญาตนะใช้ได้ในมัชชิมะประเทศไม่ควรในมัชชิมประเทศคณะสงฆ์ทั้งวินัยทรด้วยตั้งแต่สิบขึ้นไปให้อุปสมบทกุลบุบบทจึงควรหรือทรงบัญญัติไว้ว่า นาะพิกเวอูนะดาดศาวเคนะคเนนะอุปสัมปาเดตะบังอนุชานามิพิกเวดศาวเกนะวาอติเรกดศาวเกนะวาขเนนะวาอุปะสัมปาเดตุงตามว่าคณะสงฆ์มีวัดสิบย่อนอยู่อย่าให้อุปสมบทกุลบุตรถ้าให้อุปสมบทต้องทุกข์กดคือถ้าไม่ถึงสิบรูปในมัชมัพเทศเนี่ยให้ปวดนี่ต้องอบัตดทุกข์กดนะ เราพูดตถาคตยอมให้สงมีวัตสิทธ์หรือเกินปฏิสิทธิ์อุปสมบทกุรบุตรในมัชชิมะประเทศก็คือในอินเดียนั้นรองท้าสี่ชั้นเป็นของใหม่ไม่ควรดังกล่าวแล้วในก่อนแต่ว่าในปัจจัตชนบทนี้นมีปัญหาในมัชชิมะประเทศไม่มีสมัยกึ่งเดือนจึงอาบน้ําได้ทีหนึ่งดังกล่าวแล้วในนหาหนาติขาบทว่าด้วยข้อของการอาบน้ํานี่นะถ้ายังไม่ถึงสิบห้าวันตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะเมื่ออาบไปแล้วอีกสิบห้าวัน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันกึ่งเดือนอาบใหม่นี้ต้องอบัตไปจิตีนะแต่ว่าในปัจจันต์ตประเทศนี้ไม่มีปัญหาเลยก็อาบได้ตลอดหนังสิ่งใดสิ่งหนึ่งในมัชชิมะประเทศไม่ควรเลยหมายถึงว่าเอาไว้รองนั่งหนังเนี่ยแต่ถ้าทํารองเท้าไม่เป็นไนเส้นหนังของรองเท้าถ้าเคียงเท้านี่ไม่อนุญาตเคียงเท้าให้เตึงอยู่กับที่เท่านั้นถ้าเคียงเท้าก็ทําได้วยไม้ด้ยากแต่ถ้าทํำด้วยหนังเนี่ยเรียกว่า กองเทา้ากระเด็ดต่างกันไปด้วยตรงห้ามไว้ว่านาจินจิจำมังทาเรตบางว่ายาพึงทรงหนังอันใดอหนึ่งถ้าทรงต้องทุกกดหนังเจียมคือหนังชุมพาและหนังแพะทึ้งในดทิ้งหนึ่งจะปูนอนหรือว่าปูนั่งในปัจจันตะประเทศควรอยู่ในปัจจันตประเทศนี้ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าในสมัชมิะประเทศนี้ห้ามใช้ปูนั่งปูนอนห้ามทรงไว้ด้วย ในหนังสัตว์ต่างๆเนี่ยตามอัตถกถาได้กําหนดไว้ว่าเอนิมิโคก็คือทรายวาตานิโคสมันตสัดะมิโคกฟานกุรุงคะมิโคกวางมิะมาตุโกก็คือเนื้อถึกโรหิตะนิโกก็คือละมั่งนั้นแห่งเนื้อเหล่านี้อย่างเดียวควรในปัจจันทรกับประเทศก็คือเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อร้ายส่วนสัตว์อื่นคือมักกะโตวานอนการาศีโโหข้าง การโพนางเห็นกัดดริมิโคชมดภารมิโคพานมรึกเนื้อร้ายหนังแห่งสัตว์เหล่านี้ไม่ควรในประเภทศทั้งปวงหนังเหล่านี้สัตว์ ร, ร้ายนี้ไม่ควรในประเทศทั้งปวงสีหะพยัคฆะอัจฉรกสรฉารชารชสีเสือโครงหมีเสือดาวชื่อว่าพานมรึกเนื้อร้ายใช่แต่จำพวกนั้นอย่างเดียวก็แลหนังแห่งสัตว์จําพวกใดซึ่งกล่าวไว้ว่าควรยกสัตว์จําพวกนั้นเสียก็คือเว้น สัตว์ที่เหลือนั้นโดยที่สุดแม้โคกระบือกระต่ายแมวเป็นต้นทั้งปวงชื่อว่าพานมาดกเนื้อร้ายในที่นี้นังแห่งสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นไม่ควรเลยซึ่งว่าไม่ควรนั้นเนี่ยหมายเอาที่ห่วงไว้บริโภคนั่งนอนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้นพวกสัตว์เนื้อร้ายต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ควรในที่ทั้งปวงก็หมายถึงใช้เป็นของส่วนตัวถ้าเป็นเครื่องสําหรับบริโภคในเสนาธนะของสองควรทั้งหมดเลย จะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่แนวของเนื้ อ, อร้ายแล้วก็ทั่งทองเงินเนี่ยเป็นของใช้ประจําเสนาสนะอันนี้ก็บริโภคได้จับต้องได้ด้วยทําความสะอาดได้ด้วยแต่ว่าเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้ถ้าใช้ที่อื่นก็มีปัญหาต้องระบาดด้วยตามคําในอรรถกถาว่าสีหะจัมมาดีนางหิปริหะระเนเย ว, วะปฏิเถโปเสนาสนะปริโพเคปะนะอจปิยังนามะนติดังนี้ ก็แลหนังทั้งปวงเป็นขี่หิวิกัดของเครื่อหัดหรือเป็นแต่เครื่องผูกพันจะนั่งอิงนั่งทับควรอยู่จะนอนทับไม่ควรของที่เป็นเครื่องหัสพวกขี่หิวิกัดยืมใช้แบบของกครื่องัดนั่งได้แต่ว่านอนไม่ได้ด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิฆเวท่หิวิกตังอภินิสีติตุงนตเวะอภิิปชิตุงอนุชานามิพิฆเวพันธนมัตตังอภินิสีดิตุง ดังนี้ก็แรในรองเท้ายกแต่หนังมนุษย์เสียจะทําด้วยหนังสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรทั้งสิ้นแม้ในถุงรองเท้าและสักมีดสักกุญแจก็เหมือนกันดังกล่าวแล้วนะว่าถ้าเป็นรองเท้านี่เขาใช้หนังทำํำถ้าเขียงเท้าเขาใช้ไม้กับใช้หญ้าทําซึ่งพวกกระหัดเขาก็สวมเขียงเท้ากันนะนะมันก็จะมีเสียงดังพระชาปนชีไปเดินใส่เขียงเท้าเดินจงกรมถือไม้เท้าในมือสองข้างเลย ก็เดินจงกรมก็ทางกระตะกตะกะตะพระพุทธเจ้าว่าตรัสถามพระอานนท์ว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรพระานนท์ก็ทูลพระชาวพุทคีเดินใส่เสียงเท้าก็ทรงบัญญัติข้าบทว่าไม่ควรในการที่จะสวมเขียงเท้าทําเสียงดังสมาธิของมิสุอื่นเคลื่อนหมด<ๆ>ก็ห้ามสวงเขียงเท้าแต่ว่ารองเท้านี่ใช้ได้เป็นหนังนะต่อไปข้อหนึ่งอย่าสวมรองเท้าสีต่างๆ มีสีเขียวเป็นต้นด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิกเวสับะนีลกาอุปาหนาะข้อความละณสับะมหานามรตาอุปาหนาทาเรตบาว่ายาสวมรองเท้าเขียวทั้งปวงดังสีดอกผักตบและเหลืองทั้งปวงดังสีดอกกัิกาใหญ่และแดงทั้งปวงดังสีดอกชบาและแดงสำราญดังสีฝางและดำทั้งปวงดังสีประคำดีควาย และแดงเข้มทั้งปวงดังสีหลังตะขาบและรองเท้าสีแดงเชือกันดังสีใบไม้แก่ในอรติษตากุรุนดีว่าดังสีดอกบัวถ้าพิสุดใดทรงรองเท้าดังนี้ต้องทุกกฎในรองเท้าเหล่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มาแล้วเช็ดน้ายาเสียด้วยผ้ากีริュทำลายสีเสียแล้วสวมก็ควรแม้ทำลายสีเสียสักหน่อยหนึ่งก็ควรพวกดำร่วนแดงร่วน ต่างๆเหล่านี้นี่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นต้องเอาไปทําให้เสียสีเอาปากกาดํำๆอะไรเนี่ยไปทำให้เสียสีนั้นมันจะจางไปทีหลังก็ไม่ตื่นเลละข้อหนึ่งอีกแม้รองเท้ามีหูสีเขียวเหลืองแดงสํารานและสีดําสีแดงเข้มสีแดงเจือกันก็ไม่ควรเหมือนกันรองเท้าสีจะใช้ได้มันขมุขมอมสีปนกันแล้วแต่ว่าถ้าหูรองเท้านี่มีสีเขียวเหลืองแดงสํารานสีดําสีเข้มอย่างนี้ก็ไม่ควร สีแดงเชื่อกันก็ไม่ควรด้วยทรงห้ามไว้ว่านาภิกเวนีรักกัวัตพิกาอุปาหานาข้อความละณาตั บ, บมหานามะรัตวัตพิกาอุปาหานาทาเรตตาดังนี้และรองเท้าที่มีสายรัดมีสีเขียวเป็นต้นเหล่านั้นก็พึงทําลายสีเสียก่อนแล้วจึงสวมข้อหนึ่งอย่าสวมรองเท้าปกต้นเท้าปกหลังเท้าเป็นต้นด้วยทรงห้ามไว้ว่า นาพิกเวขา ล, ละกะพัทธานาะปูตะพัทธานะาตาลิกุณธิมานาะตูละปุลนิกานาะติติระปัตนะติกานาเมนทวิสาณวติกานาอชาวิสาณวติกานาะวิถิกาลิกานาะโมระปิญชะปริสิตบิตานาะจิตตาปุปาหานาทาเรตบาว่า อย่าตรงรองเท้าที่ผูกหนังตั้งแต่พื้นดินมาปิดต้นและรองเท้าปิดเท้าทั้งหมดจนถึงแท้งดังรองเท้าของชาวโยนกและรองเท้าปิดเท้าเพียงมากว่าหลังเท้าข้างบนไม่ปิดแท้งและรองเท้ายัดด้วยนุ่นและรองเท้าประกอบด้วยสายหูสันฐานดังเขาแกะในที่ที่เป็นช่อและรองเท้าประกอบด้วยสายหูสันฐานดังเขาแพะในที่ที่เป็นช่อ และรองเท้าไปตอบด้วยสายหูสันผานดังหางมแมลงปองหรือว่ารองเท้าที่คลิปเย็บ ด, ด้วยแววนกยุงในพื้นหรือในหูดังเย็บ ด, ด้วยได้และรองเท้าอันวิจิตโดยสันผานต่างๆถ้าแลพิจุดใดตร ง, ตองกกรองเท้าเหล่านี้สต้องทุกข์กฏในรองเท้าเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มา อาจนําเอาหนังปกต้นเป็นต้นออกเสียได้ไซส์ก็เพิ่มนําออกเสียแล้วก็ใช้เถิดก็แล้หนังปกต้นเป็นต้นนั้นยังมีอยู่เมื่อใช้ก็เป็นทุกกฎข้อหนึ่งอีกแม้รองเท้าประกอบด้วยหนังราชสีเป็นต้นในที่สุดโดยรอบดังประกอบอนุวาาในจีวรก็ไม่ควรจะเอาหนังราชสีหนังอะไรมามาประกอบนํามาติดเอาไว้เหมือนกับอนุว่าในจีวรนนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นหนังทั้งแผ่น ทั้งรองเท้านี้ไม่เป็นไรได้ทรงห้ามไว้ว่าณนะพิชเวติหะจัมมะปริคตาณนะพยัคฆะจัมมะเพราะความละณนะทีปิจัมมะณอาชินะนจัมมะณนะอุดะจัมมะณนะมัชชารีจัมมะณนะการะกะจัมมะณนะอูลุ ก, กะจัมมะปริคตาอุปาหนาทาเรตบาดังนี้ ว่าอย่าทรงรองเท้าผิดด้วยหนังราชสีดิ์ผิดด้วยหนังเสือโคร่งผิดด้วยหนังเสือเหลืองผิดด้วยหนังเสือดาวผิดด้วยหนังหน้าผิดด้วยหนังแมวผิดด้วยหนังกระแตผิดด้วยหนังนกเขาถ้าทิ้งสูใดทรงรองเท้าเหล่านี้ไกต้องทุกกดในรองเท้าเหล่านั้นสิ่งใดถึงหนึ่งได้มาพึงนําเอาหนังเหล่านั้นออกเสร็จแล้วใช้เถิดก็มีเป็นอบัตบห้ามนํามาคลิบข้อหนึ่งอย่าสวมเขียงเท้าไม้ รองเท้าย่าเป็นต้นด้วยทรงห้ามไว้ว่านาภิขเวกาจิสังกะมะนิยาตาดุกาธาเปตตบาอนุชานามิข้อความละติดโสปาดุกาโย ο, ทุวัฏฐานิยาโย ο, อสังกะมณียาโย ο, วัจจะตาดุกังปัสสาวาตาดุกังอาจะมะณะตาดุกังว่าทิฏฐิยาเคืงทรงเขียนเทา้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือ เขียงเท้าไม้เขียงเท้าทําด้วยใบตาลทําด้วยใบไผ่ทําด้วยหญ้าและทำด้วยหญ้ามุงกระตาหญ้าปล้องและทําด้วยเต่ารังทํำด้วยแฝกและทํำด้วยขนเกียมเขียงเท้าทําด้วยทองเงินแก้วมนวันีแก้วไพลทูลแก้วผลึกสังกะสีดีบุกทองแดงเหล่านี้ก็ดีและเขียงเท้าอั น, นหนึ่งที่จะพาก้าวเดินไปได้ถ้าทิศตใดาตรงเขียงเท้าเช่นนั้นต้องทุกกด เขียงเท้านี้ก็ใช้คํา ว, ว่าปาดอุกาแต่ถ้าเป็นรองเท้านี่ใช้อุปาหนาก็คนละศัพท์กักนนั้นเขียงเท้านี่ก็หมายถึงที่ทําด้วยไม้ด้วยหญ้าแล้วก็ด้วยทองด้วยเงินแก้วมณีรัตณ์ต่างๆเหล่านั้นนี่ไม่อนุ ญ, ญาตจะเป็นเสียงเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่เป็นตั้งเอาไว้สามอย่างและพระองค์ทรงอนุญาตเขียงเท้าสามอย่างที่ตั้งอยู่เป็นนิดไม่พาเก้าเดินไปได้คือเขียงรองเท้าเป็นที่ถ่ายเวท ที่รองเหยียบที่ถ่ายจระเสียงรองเท้าเป็นที่ถ่ายปัสสาวะที่รองเหยียบไทยปัสสาวะนั่นแหละเสียงรองเท้าเป็นที่ชําระด้วยน้ําได้ความว่ารองเท้าหนังอย่างเดียวจึงควรใช้แต่ยุคนี้ก็สงเคราะห์พวกยางพวกหนังเทียมต่างๆข้อหนึ่งอีกทิสุผู้เป็นอาจารย์หรือเป็นอาจารย์ระมัดก็คือพอที่จะเป็นอาจารย์ได้ และอุปชาหรือเพิกษุผู้เป็นอุปชายามัตต์ก็คือพอที่จะเป็นอุปชาได้ไม่สวมรองเท้าเดินอยู่เทิกศูหนุ่มสวมรองเท้าเดินไปต้องทุบกดกด้วยทรงห้าไมไว้ว่าณพิขเวอาจาริเยตุอาเจริยมัตเตตุอุปชาเยตุอุปชายมัตเตตุอนุปาหาเนตุจังกะมันเตสุสัอุปาหาเนณจังกะมิตรบังดังนี้ อาจารย์สี่ชนิดก็คือปตับพระชาจารย์ผู้ให้การะคมตอนที่บวชเป็นเนรอย่างหนึ่งอุปสัมปดาอาจารย์ผู้ที่สวดกรรมวาจา่าให้อุปสมบทเป็นพิกจุอย่างหนึ่งก็คือพระกรรมวจาจารย์นั่นแหละแล้วก็นิสยาจารย์ผู้ให้นิสัยอย่างหนึ่งที่สี่ก็คืออุเดสาอาจารย์ผู้ให้อุทเทศคือบาลีและอัตถาอย่างหนึ่งก็คือพวกธรรมอาจารย์ตีอย่างนี้ชื่อว่าอาจารย์ในที่นี้ ทิ 6, สุหกพรรษาชื่อว่าอาจารยมัตคือผู้พอจะเป็นอาจารย์ได้แห่งทิสุผู้ยังไม่มีพรรษาด้วยว่าผู้ยังไม่มีพรรษานั้นจกขอนิสัยกับเธอนั้นอยู่ในการเมื่อตนห้าพรรษาก็ได้อยู่คือถ้าหกพรรษาแต่ว่าเขาทิสุไม่มีปรรษาเรียกผู้ที่หกพรรษานั้นว่าเป็นอาจารยมัตอาจารยมัตคือพอที่จะเป็นอาจารย์ได้เมื่อตนเองห้าพรรษายังไม่พุนิสัยก็สามารถไปถือ นิสสังกิตพิจุรูปนี้ได้เพราะพิจุรูปนี้ก็จะมีพรรษาจิตก็สามารถทีจะเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันผู้เจ็ดรรษาชื่อว่าอาจารยยมัดแห่งผู้พรรษาเดียวผู้แปดพรรษาก็เป็นอาจารยยมัดแห่งผู้สองพรรษาแล้วก็ผู้เก้าพรรษาก็ชื่อว่าอาจารยยมัดแห่งพิจุสามพรรษาผู้ที่ติดพรรษาชื่อว่าอาจารยยมัดแห่งผู้สี่พรรษาแล้วก็สามารถทีจะขอนใส่ได้ ทิสุผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนกินแห่งอุปชาหรือว่าทิสุผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งแก่กว่าด้ว ย, ยพรรษาสิทธิทิสุทั้งปวงแม้นั้นชื่อว่าอุปชาัยยามัตก็คือผู้ที่พอจะเป็นอุปชาได้เพราะาอุปชานี้จะสามารถที่จะบวชกุลบวชได้้เมื่อมีพรรษาสิทธิไปแล้วแต่ก็ต้องมีคนถึงสมบัติด้วยนะผู้พอที่เป็นอุปชาได้ทิกสุเพียงนี้แหลไม่ได้ถวมรองเท้าเดินอยู่ครั้นสวมรองเท้าเดินไปคือพิกษุหนุ่ม ติจุหนุมเนี่ยสวมรองเท้าเดินไปนี่เป็นอบัตทุกกฎก็ต้องระวังนะว่ามีปจุถ้าเป็นความเคารพจริงๆเนี่ยนะก็คืออันนี้หมายถึงว่าอาบัตทุกกฎแต่ถ้าพิจุที่แก่กว่ากาาาันภาษาสองภาษาเนี่ยเขาก็แก่กว่าแก่กว่าเรานี่ถ้าไม่ได้สวมรองเท้าอยู่ของเรานี่ด้วยน้ำมนความเคารพก็ไม่ต้องสวมรองเท้านี่ก็จะดีมากเลยนะแต่ถึงแม้สวมก็ยังไม่มีอบัตไม่มีอบัตเพราะว่าทรงแสดงไว้ต้องเป็น ผู้ที่เป็นอุปช้าอาจารย์หรือว่าเป็นอาจารยิยมัสหรืออุปชายมัสไม่สวมรองเท้าถ้าเรารวมนี้ถึงจะต้องอบัตแต่ถ้าพิกจุตามวันนี้ก็ไม่ได้แสดงอบัตไว้แต่ว่าก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงให้อาวาดกับพระมหากสัตตะขับตั้งความยำเกลงความเคารพในพิกจุผู้ใหม่ผู้ปานกลางแล้วก็ผู้เป็นเทระถ้าพิจุที่แก่กว่าแม้ยังไม่ได้เป็นเทระก็ตามไม่ได้เป็นอาจาริยมัสหรือว่าเป็นอุปชายมัส แก่ว่ากันภาษาของภาษาอย่างนี้ก็ทุกทางเคารพถ้าท่านอยู่ในที่ต่ําเราก็ควรจะไม่อยู่ที่สูงกว่าหรือว่าท่านไม่สวมรองเท้าเราก็ไม่ควรจะสวมรองเท้าด้วยอันนี้ก็ยานาดิคถาเรื่องของญาณเป็นต้นประจบวันนี้ก็คงใจสมควรจะเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็อบรมไตรสิฎกหาโดยเฉพาะเมื่อเป็นพระบิกฑุก็เริ่มต้นจากการที่ มีปาติโมกสังวรสีนซึ่งเป็นอาธิเสียและสิกขาพร้อมทางอินนริยะสังวรสีนอาชีวะบริสุทธิธ์ที่สีน์แล้วก็ปัจจัยนิสิตตสีน์ซึ่งจะเป็นฐานสาคัญอันจะทําให้อบรมจิตติสิกขาคือทําให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ได้ง่ายแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาสิกขาก็คือพิจารณาสังขารด้วยความเป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็น้อมไปในการที่จะรู้ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่น เพราะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยก็ขอให้ได้โอกาสของการบรรลุธรรมโดยทั่วกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ